ก็ให้รู้หายใจเขา้าลึกใจออกยาวไวให้รู้วายาวแต่หลังก็เอาเลยเอาทฤษฎีของอะไรสมาธิบาบัดแบบเอ็เคนะ mm hmm. เข้ามาผสมประสานด้วย mm hmm. ข้อนี้อาจจะมีด้วยนะฮะ mm hmm. ก็มีการพัฒนาหลักสูตรมาเรื่อยๆจนกระทั่งม า, าถึงยกุยกยุคของเรานี่ถือว่าเป็นการาพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วว่าการจะได้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 ออกซิเจนมีมากพอสมองก็สดชื่นนะถ้าหากว่ากั้นไว้ น, นิดหนึ่งมันก็ตัวออกซิเจนก็สวิตเป็นเอ็นไซ์ไปบำรุงสมองอีกต่างหากใช่ไหมเฉพาะตัวอานาปนาสตินะทีนี้ในอีบุตรใหญ่อีบุตรย่อยนี่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายแล้วก็ต่อมาก็ท่าสี่นะเราตื่นเช้ามาเราทำท่าสี่ก่อนเลยในช่วงของกําลังกายเนี่ยเรามีท่าไหนที่แสดงตัวออกมาเด่น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 ในสามสองเนี่ยดูแค่สามอย่างขนาดเนี้ยนั่งรู้สึกหนักไหมหนักร่างกายหนักไม่ใช่นี้แต่เยอะยอทีเดียวอะ่ะตั้มหนักตั้งเท่าไหร่เจ็ห้าหกสิบอ่ะไม่นิด <laughs> ปูนเป็นเกือบกระสอบอะนะใช่ทับกระปงเนี้เรานั่งไปเรนานจะนั่งได้เท่าไหร่จะพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเพราะเราหนักเนี่ยพอหมุนมาเพื่อหาอะไรหาความเบาใช่ไหมอ่ก็ขนอดพลิกเนี่ยไม่หนักไม่เบา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 มันมีวิญญาณแต่ด้วยถ้าเราไปทําอะไรตามวิญญาณที่มีอยู่มันจะกลายเป็นสัญชตาติญาณคือตามไปอาการตามอาการนั้นไปไม่ได้หยุดดูแต่พอะไรมาดู <c oughs> พอไรมาหยุดดูอาการนั้นเรียกว่าวิญญาณก็ไม่มีสัญชตาติญาณก็เหลือแต่ญาณปัญญาตัวนี้เป็นที่มาของคำว่าสติคือดูรูนะ้ทีนี้ไอ้ตัวญาณญาณตัวนี้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 พระพวธรรมทำฉนไยนการทำที่สูตรแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดเพราะนั้นสติะระลึกรู้ตั้งใจรู้และก็รู้ชัดชัดพอรู้ชัดชัดแล้วก็ศึกษาเอารู้ทั่วๆก่อนถ้ารู้ชัดนี่แปลว่าปัญญามาจากเขาบ่า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 แต่ฟังเฉยๆโดยที่จิตก็ไม่ไปรับรู้เฉยๆรู้รู้ว่าเอออันนี้เสียงและก็รู้ไม่ได้คิดตามไปลักษณะนี้ยินญาณกายมาเป็นสูตรธรรมญาณกายมาเป็นญาณเพราะนั้นตัวรู้จึงเกิดทั้งหกทางทางตาหงงูจมกูกลิ้นกายใจเพราะนั้นคนเราก็จึงมีรัษมีอยู่หกรัศมีนะที่เรียกว่าฉับพลันสีอ่ะใช่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 แล้วร่างกายเราก็จะได้รับธาตุที่สมบูรณ์ทีนี้เรามาปฏิบัติปริศนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ไปหลงเสพรสที่เกิดจากความอร่อยเพราะการทาหน้าที่ของอยายตนะทั้งหกตาเห็นเราก็รู้แต่ว่าเราไม่ไปชอบในสิ่งที่เรารู้ไม่ไดไ้ไปไปชอบในสิ่งที่เราเห็นหรือไม่ชอบในสิ่งที่เราเห็น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 กรรมาฐานแบบใดก็ตามถ้าเราทําแล้วไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวกรรมาฐานนั้นเป็นกรรมาฐานที่ไม่ใช่วิปัสนาแต่เป็นสมถะาาได้อยู่สมถะาา น, นี่จะชอบความสงบชอบดิสุขชอบปิติชอบสีแสงชอบสิ่งปฏิหารวิเศษอะไรต่างๆสมถะจะออกมปในรูปแบบนั้นแต่วิปัสนานั้นจะตัดความชอบหรือไม่ชอบออกไปต้องการการความ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 มันเป็นสัญญาแต่ตัวนี้ไม่ต้องใช้สัญญาตัวนี้ใช้ประจ enfin more, th ักรู้ประยุกเนี่ยประจักรู้ว่าหนักก็มีจริงๆเวลาลงมันก็เบาก็มีจริงๆโดยที่ไปนึกว่าหนักว่าเบามันสัมผัสหนักเบานั้นจริงๆนะแต่ถ้าไปนึกว่าเป็นหนักเป็นเบาก็เป็นสัญญาแต่ถ้ามารับรู้ตัวหนักตัวเบาโดยโดยสัมผัสเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวปัญญาประจักรู้ชัด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 ขัสมัดหนึ่งนี่นั่งปล่อยขาขาขาเป็นอิสระกันขัสมัสองขัสมัส3ขัสมัส4อ่อาเพราะฉะนั้นพวกขัสมัดมีได้4จังหวะแต่ที่สีนี่บางคนอาจจะทำได้บางคนอาจจะทไม่ได้เนาะอ่าเทไรขานอนสี 4. แล้วก็5 <c oughs> ก็คือตรงนี้เหยียดขา 5, หเหยียดขาหก็นั่งยอนขานั่งเก้าอี้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 เรื่องที่เราปฏิบัติค่อนสบายเป็นราคะเป็นตันหาเป็นกามเป็นโลภเป็นอุปาทานอะไรก็ว่าไปมันพัฒนาไปจากตรงนี้เดียวเดียวไอ้เรื่องที่เราไม่ชอบมันก็มาพัฒนาเป็นความโกรธความมานะมาเป็นตัวปฏิฆะตัวพยาบาทตัวอาฆาตตัวอิจฉาลิเยะตัวหงุดหงิดตัวโมโหมันพัฒนาไปจากตรงนี้เดียวเดียวตัวหนักตัวเดียว